นั้นสมัยก่อนเขาเข้าใจเลยสวากขาโตพระพุทธตรัสไว้อย่างดีไม่มีผิดมีพลาดพระธรรมนั่นคืออะไรคือพระธรรมพระธรรมอันนั้นของใครของพระพุทธเจ้ามั้นเขาก็บอกว่าเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละว่าเป็นธรรมมังสารนังคัจฉามิแต่ที่เป็นอย่างนี้เขารู้พระพุทธเจ้าเขารู้จักพระพุทธเจ้าเขาทราบซึ่งในพระพุทธคุณเขาเลื่อมใสในพระพุทธคุณเนี่ยนะเขานอบน้อมใน พระพุทธคุณมันสมัยก่อนเนี่ยพอได้ยินคนพูดถึงพระพุทธเจ้าเขายือนนอบน้อมเลยว่านะโมตัสสะพระคัวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะเขาพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วก็ไม่อายด้วยเนี่ยนะยืนกลางถนนบอกนะโมตัสสะพระคัวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะเพราะเขาเขาทราบซึ่งในพระคุณเขารอบรู้ในพระคุณบอกสมัยใหม่เขาบอกเขาก็ทําอย่างงี้นะเท่าว่าทำเหมือนกันพฤติกรรมเหมือนกันแต่ว่าความคิดไม่ ไม่เท่ากันรู้ไม่เท่ากันแล้วก็เหมือนกับเราสวดบาลีกับคนสมัยก่อนพูดภาษาบาลีนี่มันต่างกันเยอะไหมเยอะเนี่ยนะเยอะมากนีนะยเยอะมากเลยแหละอคนอารหังคําสมัยก่อนเขาฟังแนละ้วเขาไม่ต้องแปลอะไรมากไม่ของเรานี่นต้องมาเรียนแปลแล้วแปลอีกเนี่ยนะถนะ้ะคิดไปในหนึ่งก็เหมือนเผ่าใดเผ่าหนึ่งมาเรียนคําสอนนะนะโอ้ยยากแท้ในะยุคปัจจุบันเพราะมันห่างกันเยอะมากนี่ยิ่งห่างเท่าใดควรยิ่งที่จะไม่ประมาท ยิ่งห่างเท่าใดก็ควรใส่ใจว่าไม่ผิดไม่พลาดเนี่ยนะังั้นการที่จะประกันความผิดพลาดว่าเราไม่เข้าใจผิดพลาดในคําสอนเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวรับรองอรหันตะคุณเนี่ยนะพยายามกําหนดจดจําอรหันตคุณสำ ม, มาสัมพุโทโธมีความหมายว่าอย่างไรวิชชาจารณาสัมปันโนมีความหมายว่ายัางไงสุขโตโลกวิทูอนุตโรเป็นต้นเนี่ยนะทุกคําทุกคําเพิ่มความเข้าใจไว้เสมอเพิ่มเข้าใจเพิ่มความรู้ ทุกครั้งที่สวดควรจะเพิ่มความรู้ทุกครั้งที่สาธยายเพิ่มความรู้ของตัวเองทุกครั้งที่สรรเสริญเรียกว่าเพิ่มปัญญาตัวศรัทธากับตัวปัญญานั่นแหละคือตัวสารณาคมที่พระองค์บอกว่าชนเหล่าใดาเหล่าหนึ่งเลื่อมใสในพระองค์ถึงพระองค์คือคือชนเหล่าใดาเหล่าหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์มีปัญญารู้ขุนของพระองค์ชนเหล่านั้นทั้งปวง เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เด่นล้ำเหนือเทวดาเหล่าอื่นสิบประการเหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นทั่วไปเนี่ยสิบประการคือเหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นด้วยอะไรด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเนี่ยนะเป็นคนที่รูปงามกว่าคนอื่นมีเสียงเพราะกว่าคนอื่นเนี่ยนะกลิ่นเป็นต้นก็คือสรุปว่าดีกว่าคนอื่น อายุยืนกว่าคนอื card, ่นกําลังมากกว่าคนอื่นวันณะเนี่ยนะชาติตระกูลถือว่าเป็นเทวดาเทวดานี่เขาพูดกันเป็นตระกูลเหมือนกันนะมีนามสกุลเหมือนกันแหละเทวดาตระกูลนี้ตระกูลนี้ตระกูลนี้เขานับถือกันนามตระกูลเหมือนกันนะเทวดาตระกูลนี้นับหน้านับถือมากหน้านับถือน้อยอ่นะก็เขาแบ่งตระกูลมัวันนะต่างกันกําลังต่างกันปฏิพานที่แตกต่างกันและอันสุดท้ายคืออํานาจอธิปไตยเนี่ยอํานาจอํานาจที่แตกต่างกันเนี่ยนะ ก็คือผลผลของศรัท ธ, ธานะแล้วก็ผลของปัญญาเนี่ยนะเพราะสารณคมเนี่ยนะพุทธังทำมังสังคงังสารนางังฆาฉามิที่เราสวยดยกย่องสรรเสริญกล่าวเชาว้าค่ำเป็นต้นคำนี้หมายถึงตัวศรัท ธ, ธาแล้วก็ตัวปัญญาก็ต้องหมั่นสมาทานให้เรามีศรัท ธ, ธามั่นคงในพรัตนะไตรเนี่ยนะให้มีปัญญารอบรู้คุณของพรัตนะไตรศรัท ธ, ธาที่เลื่อมใสใน พรัตนะตรายปัญญาที่รอบรู้ในคุณภรัตนะตรายนี้เรียกว่าสารณะสรณะตัวเนี้มีค่าค่าของสารณะอันนี้คืออะไรควรแก่สวรรค์และควรแก่นิพพานเนี่ยนะถามว่าสิ่งที่ดีมีคุณที่สุดในในชีวิตของเราคืออะไรถ้าหากว่าพูดถึงอะตั้งแต่ตั้งแต่เปล่าเปล่าธรรมดาธรรมดาขึ้นมาเลยศรัทธากับปัญญาเป็นสิ่งที่มีค่าและก็มีราคาที่สุดเป็นเหตุให้ได้ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติต่อๆไปก็แสดงว่าเป็นอริยทรัพย์ใช่ไหมอริยทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะอริยทรัพย์คือปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่พุททางธรรมังสังขังสารนังขจามิเนี่ยนะด้วยความรอบรู้เข้าใจเนี่ยคือคนที่มีทรัพย์เนี่ยนะคนที่มีทรัพย์คือศรัทธาคนที่มีทรัพย์คือปัญญารอบรู้ในคุณของพระรัตนะตรัยเนี่ยล้วงกระเป๋าใจดูว่าเรามีเท่าไหร่ ล้วงกระเป๋าใจว่าเรามีศรัทธาต่อพระพุทาธเจ้าเท่าไหร่ล้วงปัญญาออกมาดูว่าเรามีปัญญารู้คุณของพระพุทธเจ้ญญาเท่าไหร่ก็บอกว่าพระพุพะพทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาชนผู้มีศรัทธานั่นแหละจึงจะเข้าใจนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานั่นแหละจึงจะเข้าใจเนีนะศรัทธากับปัญญาอันนั้นนี่แหละปัญศรัทธาเป็นสัททินรีปัญญาเป็นปัญญินสีศรัทธาเป็นภะละ ไม่หวั่นไหวในความไม่มีศรัทธาอะแล้วปัญญาละ่ะพระพุทธเจ้ามาคาความหมายของพระพุทธเจ้าคือรู้อริยสัจมันผู้ที่มีปัญญาก็รู้ว่าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รอบรู้แทงตลอดในอริยสัจเนี่ยนะอย่างสูตรแรกธรรมจักรกับปวัตนาสูตรพระองค์ก็บอกแล้วว่าถ้าพระองค์ไม่ทํากิจในอริยสัจเนี่ยนะตามที่กล่าวมาแล้วพระองค์ก็เป็นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันเราก็มีปัญญาที่จะรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้แต่รู้เท่ากันได้เท่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างที่เรามองว่าเอ อ, นอาาเนี่ยอากาศเนี่ยเราก็มองเห็นเท่าตาของเราเห็นนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ว่าเรารู้ที่สุดของอากาศฉันใดผู้ที่มีปัญญารู้กุลของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเพียงอ่าเพียงมีศรัทธาเพียงมีความรักในพระองค์ก็ไปสุขติแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีศรัทธาปัญหาว่าศรัทธาเนี่ยบอกเอ้่นี่เรามีศรัทธาวันนี้นะเรามีศรัทธาแล้ว ต่อไปนี้รับรองได้ไหมว่าเราจะไม่ไปอบายบอกว่าสําคัญที่สุดว่าก่อนตายนะถ้ายังถือตั๋วใบนี้อยู่ก็พ้นละเพรางั้นนะนะตั๋วคือศรัทธานี่ยังมีตั๋วคือศรัทธาอยู่ในมือก่อนโบกมืออําลาโลกอ่ะอาจจะยกมือไม่ไหวแล้วนะแต่หมายความว่าง่ายๆว่าโบกมืออําลาโลกเนี่ยยังมีตั๋วคือศรัทธามีตั๋วคือปัญญาก็ผ่าข้ามพ้นจากวัตถุทุกได้นะนะพูดอย่างนี้ขอมาพูดเผื่อตัวเองนะนะอายุมากๆแล้วจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยเตรียมตัวอะไรไว้ให้ตัวเองบ้างนะ บอกเห็นคนอายุมากๆแล้วตอนนี้เราหนังสังเวชใจถ้าเราอายุมากขนาดนี้เราจะอยู่ด้วยอะไรเนี่ย น, นะก็เริ่มเห็นคนอายุมากเนี่ยไม่ได้ดูถูกดูหมินอะไรเขหรอกคิดถึงตัวเองเลยทันทีโอ้เนี่ยนะสมมุติถ้าเขาอายุหกสิบอีกไม่กี่ปีเราก็จะหกแล้วนะเนี่ยอีกแค่เกือบ30ปีเองเราก็60แล้วนะนะถ้าอายุ70อีกแค่40ปีเราก็เราก็หกสิบเจ็ดสิแล้วในชะ่ไหม อีกแปดถ้าอายุ80ปีอีก50ปีไม่นานเนี่ยนะก็เราก็80ิบแล้วใช่ไหมก็แปปเดียวไอ้ระหว่างนี่เราจะทําอะไรพอไปถึงวันนั้นแล้วเราไม่ต้องนั่งร้องให้น้ําตาไหลอาบแก้มในตอนนั้นอ่ะไม่น่าเลยเนี่ยนะตอนนั้นอ่ะมันก็ต้องเตรียมการเอาไว้ให้ดีๆหน่อยนะจริงก็เตรียมการในะที่นี้ก็คือเตรียมใจเนี่ยนะเตรียมใจว่าเออทำยังไงไม่ต้องเสียใจในวันหลังนะไม่ต้องร้องให้ในวันหลังไม่ต้องไปบนตําหนิตัวเองในวันหลังเป็นต้นเนี่ยนะ เพราะว่าเราทำสิ่งที่ดีไว้แล้วก็ <erem> tota <al> แสดงว่าเราแกล้งนะทำเป็นคิดว่าถ้าเราอายุหกสิบแล้วเราจะคิดอะไร <Yeah. S 2> ก็แปลว่าเอาความรู้ตอนอายุ6กมาใช้ในปัจจุบันใช่ไหมเอาความรู้ตอนอายุ70สิบมาใช้ในปัจจุบันเอาความความรู้ควรว่าตอน80ปีเราควรจะคิดอะไรเอาความรู้ตอนอายุปดมาใช้ในปัจจุบันเราก็เตรียมการไว้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะ ก็เหมือนคนเดินทางแล้วก็ไม่ลำบากเพราะอะไรก็าเขารู้อยู่แล้วว่าข้างหน้ามันคืออะไรก็เอาความรู้ข้างหน้ามาใช้ในปัจจุบันเขบอกทําได้เลยบอกอุยสบายมากที่เงินในอนาคตยังเอามาใช้ในปัจจุบันได้ทำได้ไหมเอาเงินในอนาคตมาใช้ปัจจุบันคุณก็กูมก้มากๆก็กู้มากมากนะหรือไม่เขาก็บอกว่าอย่างระบบราชการใช่ไหม ก็ไปกู้แบบสมมติว่าปกติเงินเดือนสัก15ื่นหรือหมื่นเนี่ย น, นะไปผ่อนอะไรสักอย่างเนี่ยนะผ่อนชนิดที่เรียกเรียกว่าเอาเงินในอนาคตมาใช้หมดเลยนะก็เท่ากับว่าตัวเองได้ใช้เดือนละเท่าไหร่กันเนี่ยผ่อนไปเท่าไหร่บางทีก็อาจจะเหลือใช้ไม่กี่ตังค์ไงใช้เดือนละสองสาพก็มีบางทีการาชการตัวเลขมันเยอะก็จริงอ่ะบางคนน่ยนะพูดถึงบางท่านอะ่ะเราตัวเลขเนี่ยเยอะมากเงินเดือนหมื่0ส0 0หมเป็นต้นจริงใช้เดือนละสองพเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไปผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วเนี่ยนะ ผ่อนไปผ่อนมาแล้วตัวเองก็เหลือเงินเดือนอย่างไม่กี่ตังค์เนี่ยนะก็ได้เอาเงินอนาคตมาใช้หมดแล้วโยมคนหนึ่งไปอินเดียเราให้ฟังแต่ก็เราก็ฟังแล้วเขาจำแม่นนะเขาเข้าใจเลยเขาบอกว่าเนี่ยที่เขามาอินเดียครั้งนี้เนี่ยเขาเอาเงินในอนาคตมาใช้เขาว่างั้นแปลว่าอายุต่อไปมากๆเนี่ยเขาจะต้องใช้ปกติเขาต้องเอาเงินก้อนเนี่ยมาใช้ตอนอายุเขามากๆตอนนี้เขาไปเอาเงินในอนาคตมาใช้แล้ว เงินยังเอามาใช้ได้เลยแล้วปัญญาต่ว่าเออเราก็รู้แล้วมาคนอายุมากๆต่อไปนี่เป็นเป็นยังไงในโลกเนี้ยมันก็มีแต่ชาติชารามรณะมันก็มีอยู่เท่านี้แหละก็ดูคนชาราแล้วก็มาเป็นตัวอย่างแล้วก็คิดได้แล้วว่าเออต่อไปเนี่ยนะเราก็ซ้อมๆเนี่ยป่วยประจํำเลยนะเจ็บโน่นปวดนี่เออเนี่ยนะถ้ามันปวดตลอดเวลาแล้วก็ต่อไปเข้าใจแล้วว่าต่อไปมันควรจะเป็นอะไรแล้วต้องซ้อมอะไรบ้างานะเราก็ถามอะไรครับ เขมาเป็นจริงอะคิดในนะีเ่เราเนี่ขี้ขาดขนาดนี้เลยแตบอกว่าใช่กลัวจริงๆเลยนะบอกกลัวอะไรกลัวตกนรกเหมือนกนเน่ย น, นะกลัวอะไ ร, รไกลัวไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วก็เดรฉานบอกกลัวจริงๆเลยกลัวเป็นเปรตบอกทําไมอ่ะแค่หิวบางมือเราก็จะแย่อยู่แล้วเนี่ยนะมันจไปเกิดเป็นเปรตหิวเป็นกลับกลับทำไงเนี่ยนะกลัวลากเกินบอกไปเป็นเดรฉ า, าน ก, ก็ดูสุนัขขี่เรือนดูสิเห น, นมันทุกข์ขนาดไหนเป็นต้นเลยหรือมนุษย์ที่อดอยากหิวโหยเป็นต้นเนี่ยนะมันเป็นยังไงว่าโอ้ย ถ้า แ, แต่กลับมาเท่ากับชาตินี้ยังหนักใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <Amen. S 1> ร้องไห้เลยแหละถ้ากลับมาได้ชาตินี้นะเพราะอะไรเพราะว่าเด็กๆ ก, ก็เป็นเจ้าน้ําตาอยู่แล้วละว่าไงนนเนี่ยที่ร้องไห้อยู่แล้วเราอู้มทุกไปหมดทุกอันนั้กลัวถ้าถามว่าไมกลัวทุกอ่นะแล้วถามว่าทําไมจึงกลัวทุกบอกว่าจากอาศัยการศึกษาคําสอนแล้วเนี่ยมันย่ําอยู่กับที่วัตฏะเนี่ยนะเขใช้ควัฏฏะมันก็คือเป็นวงจรที่เรียกว่าไปไหนก็ช่างเถอะมันก็หยุดหยุด อ, อยู่กับที่ ก็เหมือนกับคนมีบ้านนะไปะไปยังไงก็กลับบ้านอยู่เดิมคนที่เวียนว่ายตายเกิดไปเธอคุณจะไปไหนก็ไปอะไรไ ป, ไปชาติชาชรามราณาโสกปริเทวทุกโทมนัตและอุปาญาจะแล้วกลับมาอะไรกลับมาหาชาติชรามรณาโสกปริเทวทุกโทมณัตและอุปาญาแล้วจบแล้วมหาอะไรมหาชาติชร า, า, า, ามราณะก็วนอยู่อย่างนี้ถามว่ามันตรงไหนมันที่สุดละ่ะไม่มีพาหันคือผู้ที่หักสี่กรรมะนะคนที่ทําลาย ท, ทำสําเร็จ นะเข้าถึงที่สุดตัดวงจรตัดระบบพวกนี้ออกไปเนี่ยนะนะก็จากคำสอนอันนี้เนี่ยแล้วก็มีกลายสูตรพระองค์บอกว่าเธอเห็นใครก็ช่างเธอเช่นเห็นยาจกทุกขตะเข็นใจเนี่ยนะนะเธอทำไว้ในใจถต่ว่าเธอเคยเป็นเช่นกับบุคคลเช่นนี้มาแล้วในอดีตอันยาวนานเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารเนี่ยนะ แต่เขาบอกพูดอย่างนี้มันน่าเบื่อใช่ไหมบอกใช่เบื่อเลยไหมบอกยังเรื่องมันยาวอย่าไปคิดว่าจะละอะไรกันง่ายๆมันไม่ง่ายหรอกนะเนี่ยนะเขาบอกว่าเหมือนกับอะไรคือตัณหาเนี่ยตัณหาหรือว่าตัณหาที่เหตุแห่งวัตตะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนหนี้การมาฉันทานิวร์พระพุทธเจ้าเหมือนหนี้ถึงเรารู้ว่ามันเป็นหนี้แต่ก็ไม่แบบจะใช้กันหมดง่ายๆภายในชั่วพริบตาใช้หนี้หมดเลยใช่ไหมง่ายขนาดนั้นไหม บอกว่าถ้าไม่ดีจริงไม่เก่งจริงไม่รวยจริงเนี่ยมันไม่ได้ใช้แบบเปลืองหนี้ภายในวับเดียวได้ขนาดนั้นนะการมาฉันทะทั้งหลายเหมือนกับหนี้ตัณหาอย่างเหนียวอาลัยอาวณ์ที่เรามีต่อวัฏ ต, ตะเนี่ยมันเหมือนกับหนี้เมื่อมันเหมือนกับหนี้ไม่ใช่ว่าจะชําระกันได้ง่ายๆเจริญปัญญาหน่อยหนึ่งก็ชาระไปหน่อยหนึ่งแล้วค่อยๆชําระหนี้คือตัณหาด้วยปัญญาอย่างเนี้ใช้ทรัพย์คือปัญญาชําระหนี้คือตัณหาเนี่ยนะไปเรื่อยๆๆจนกว่าจะเป็น ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีหนี้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีหนี้คือการมฉันทะในวัตตะเลยเนี่ยนะพรมเขาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมอักขมันหนึ่งก็คือข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีหนี้พระองค์ผู้ปราศจากหนี้ผู้หมดหนี้แล้วไม่มีหนี้คือการมาฉันทะนิวรณนเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ชนะสงครามเป็นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะเราผู้แพ้สงครามเนี่ยหนี้สินท่วมเลยใช่ไหม ประเทศไหนที่แพ้สงครามประเทศนั้นหนี้สินเป็นไงบานเลยเนะ่ยะโอยท่วมหลายชั่วลูกชั่วล้านมือนกันแต่กว่าจะใช้หมดอ่ะนะชั้นใดผู้ที่มีอ่าไม่มีปัญญาชนะสงครามคือวัตตะเนี่ยนะพวกนี้ก็หนี้ในวัตตะก็เยอะเพะะิ่นฟังเท่านี้ไม่ใจะจะเบื่อกันง่ายๆหรอกเชื่อเนี่ยนะมันยังอีกนานเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมก็ต้องสะสมอริยทรัพย์อันนี้จนกว่าที่จะคุณธรรมเหล่านี้จเจริญเติบโตจนกว่าจะนําเราออกจาก ทุกได้จริงๆเนี่ยก็เจริญคุณธรรมเหล่านี้ต่อไปเพราะฉะนั้นจากคําสอนที่บอกเมื่อกี้บอกว่าไปเห็นอะไรก็นาะมาในใจว่าเธอเคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วเนี่ยนะหรือไปเห็นเศธธรษฐีเครืบดีผู้มั่งคั่งเป็นต้นเธอก็พึงทํำในไว้ในใจว่าเธอก็เคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นก็สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดใน สังขารแม้แต่ชาติที่ชาติสุดท้ายที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เล่าให้ฟังว่าพระองค์เคยเป็นพระเจ้ามหาสุดทัศนะเป็นจักรพัทผู้ร่ํารวยมากเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนหมดสิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายควรแล้วที่จะคลายกําหนัดเนี่ยนะอันนี้เราก็ได้อัธยาศัยไว้หน่อยหนึ่งแล้วใช่ไหมสะสมอัธยาศัยที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้ที่นี้เนี่ยนะถามว่า ความคิดหรือศรัทธาหรือปัญญาเป็นต้นนี่เป็นพาเวตาประธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเจริญคิดครั้งเดียวเขาเรียกเจริญไหมเจริญนี่แปลว่ามันโตขึ้นมากขึ้นทำให้มากขึ้นแปลว่ามันบ่อยด้วยมากด้วยแล้วโตขึ้นด้วยต้นไม้เจริญเติบโตเป็นยังไงก็แปลว่าต้นไม้ที่โตขึ้นเรียกว่าต้นไม้ที่เจริญ อะไรก็ตามเช่นธรรมะเจริญแปลว่ามันเติบโตขึ้นนั่นเองทํายังไงศรัทธาที่เรามีอยู่ให้โตขึ้นทํายังไงปัญญาที่เราเจริญอยู่ที่มีอยู่นี้ให้มันโตขึ้นเรียกว่าภาเวิตประธรรมหรือเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าวุฒิแปลว่าทําให้เจริญขึ้นทําให้มันเติบโตขึ้นทํายังไงศรัทธาจะได้โตยิ่งยิ่งขึ้นไปทํายังไงปัญญาจะได้โตยิ่งๆ่งขึ้นไปถ้ามีศรัทธากับปัญญาแล้วเนี่ยนะคิดว่ามีธรรมะอะไรบ้างที่เราทําไม่ได้